คุณพระขมลอาจจะอยู่ใกล้ชุมนุมคนเพียนแล้วทําหน้าที่ถามตอบทําหน้าที่อะไรแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวของสมาชิกชุมนุมคนเพียนไปจัดอะไรที่ไหนคุณเพระมูลด้วยดังนั้นเอง น, นตรงเนี้<ม>ก็อาจจะเล่าประสบการณ์ที่นี่ให้ฟังมาที่นี่เท่าไหร่สองครั้งแล้วใช่ไหม<ช>อสองครั้งน่าจะได้อะไรจากที่นี่หรือไม่อแล้วก็มีอะไรที่น่าจะเพิ่มเติมเสริมแต่งน้าจุนี้ ค, อค่อยเชรญพอน นมกลับในมรดการหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าทําผิดพลาดอะไรพลาดพังไปโดยที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีก็ขอกลับขอ ข, อขมาขอละโทษนัดที่นี้ด้วยนะเจ้าค่ ะ, ะมาที่นี่เป็นครั้งที่สองก็ทุกครั้งที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีเงาติดตามตัวมาตลอดเงาตัวนั้นก็คือความง่วงง่วงความหาว มันติดมาตลอดเลยไม่ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนนะคะก็ยังแก้ไม่ตกแต่มันก็เบาบางบ้างมันก็มาได้อารมณ์วันที่สองก็ในช่วงเช้าก็รู้สึกคือนั่งทับนั่งทับขานะคะนั่งอย่างนี้ค่ะนั่งท่านี้นั่งเป็นเวลานานมากรู้สึกจะครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็มองออกไปข้างนอกมือก็สร้างจังหวะไปรู้สึกตัวเห็นทั้งภายนอกแล้วก็เห็นอาการทั้งภายในในขยะที่ขนันดับขยะในขณะที่ เคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดแล้วก็รู้ลมหายใจไปด้วยเป็นคนที่ชอบเล่นกับลมหายใจนะคะเล่นลมปราดรู้สึกว่ามันมันได้พลังมันได้กำลังใจดีนะคะทุกครั้งที่จะเริ่มสร้างจังหวะนีก็จะตั้งสติก่อนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจให้กับตัวเองก่อน เพื่อที่จะได้มีพลังในการสร้างจังหวะเพราะว่าในการสร้างจังหวะเนี้ยบางครั้งเนียมันต้องต้องมีพลังนะคะแล้วก็ก็ได้อารมณ์วันที่สองช่วงเช้าเพราะช่วงบ่ายก็ไม่ได้แล้วในวันที่สี่ก็ตอนบ่ายก็คือจะเคลิ้มหลับตลอดทุกครั้งจนถึงวันที่เจ็ดนะเผ อ, อไม่ได้หลับลิมขนาที่เคลก็ฝันก็จะฝันตลอดวันกลางวัน ขณะที่ฝันในวันนั้นเนะี่ยก็ได้ยินเสียงยมรีดสะดุ้งตื่นเลยเป็นเสียงหลวงพ่ อ, อย่างชัดเจนแต่มองไปก็ไม่เห็นหลวงพ่อนะนะเห็นได้ยินเสียงในฝันชัดเจนเลยยมรีด <c oughs> ก็มาได้อารมณ์ที่ดีที่สุดที่สุดยอดสำหรับตัวเองนะะในการที่มาเข้าคอร์ส ท, ทุกครั้งเลยก็คือ ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้น ะ, ะก็ได้อารมณ์มากก็คือมีสติในขณะที่สร้างจังหวะมือไปก็มีสมสติสมาธิดีมากแล้วก็นานมากสงบแล้วก็ได้ได้ปัญญาด้วยก็คือว่าขณะที่สร้างจังหวะไปเนี่ยก็ปรากฏว่าในระหว่างเวลานั้นเนี่ย มันเป็นช่วงประมาณหกโมงเช้าก็มีการปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างก็ปรากฏว่าตรงที่ข้างหน้าที่เรานั่งเนี่ยกุณตีพิตรีมากําลังจะช่วยเปิดหน้าต่างเพื่อที่จะให้อากาศเข้ามาปรากฏว่าท่านกุนตีก็ทาไม่ถูกหลวงพ่อท่านเมตตา ม, มากเลยเดินมา นั่งอยู่ทางนี้นะคะนั่งปฏิบัติหน้าหันไปอย่างนี้ก็มาช่วยกันลกหลวงพ่อครูก็ได้ยินเสียงนะคะเราก็สร้างจังหวะไปมีสมาธิดีมากเราก็ไม่เงยหน้าขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าก็ค่อนข้างวุ่นวานิดนึงนะฮะหลวงพอ่อแล้บอกอ่าเวลาเปิดหนะ้าต่างต้องทํามุมอย่างนี้นะต้องดันออกไปมุมอย่างนี้นะมันถึงจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฉยเฉยคือก็ได้ยินเสียงสักว่าแต่ว่าเสียงเฉยมาก แล้วก็เมเนะินเงยหน้าขึ้นมาดูด้วยว่าเขากำลังทำอะไรกันนะรู้สึกเฉยมากเลยพอเสร็จปั๊บก็มองไปนะบรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยมองออกไปข้างนอกก็เห็นท้องฟ้าอ๋อท้องฟ้าก็เป็นท้องฟ้าเห็นต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้แล้วก็มาดูเห็นยุงที่เกาะ อ, อยู่ที่ขาเราแล้วยุงก็เป็นยุงอ๋อรู้ซื่อๆเป็นอย่างนี้นี่เอง อ๋อปลอมมัดแล้วปลอมมัดแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เลยว่าอ๋อเมื่อก่อนเราสงสัยนะไอ้คำรู้ซื่อๆเห็นซื่อๆอะไรซื่อๆหรือเฉยๆเนี่ยไม่เข้าใจมันรู้ยังไง ร, รู้ซื่อๆสงสัยมาตลอดจนเลิกสงสัยไปเลยตอนนี้เข้าใจแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนก็คือภาวะที่จิตไร้ภาวะการคิดปรุงแต่ง มันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นโดยที่เราจิตหรือความคิดของเราไม่ไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยนั่นคือรู้ซื่อๆจบค่ะจบแล้วจบค่ะความจริงคําว่าพููซื่อๆเนี่ยมันเหมือนคําพูดเล่นๆนะแต่คนมีมีความหมาย <c oughs> วันเมื่อวานเนี่ยมอาทเทพหลวงเทียนเปิดช่ว <c oughs> งฉันเข้าใช่ไหมว่า สมาธิคือเห็นรูปก็เห็นจริงๆ เ, เมื่อก่อนเรามารับไม่ได้นะเพราะว่าเรารู้ว่าสมาธิ definition ของมัก็คืออนิยสี่ใช่ทุกส ม, มุทัยนีน่หลดมักคือคือคำจำ ก, กัดความของคำว่าสมาธิแต่พอฉบับนโวพเทียนเห็นรูปก็เป็นรูปเป็นสมาธิเห็นรูปก็เห็นรูปได้ยินเสียงก็คือได้ยินเสียงอันนั้นเป็นสมาธิ ท่านเอาตัวปรมัตเลยอ่ะนั่นเป็นเมื่อไรได้ปรมัตมันนั้นเป็นสมาธิิเห็นลุลุ้นซึ่งตรงกับที่พระองค์ท่านเรียว่าเห็นสักต่ว่าเห็นได้ยินสึกต่ว่าได้ยินรู้ก็สักต่ว่ารู้นั่นคือภาวะที่เป็นปร ม, มัตยังไงแต่ต้องพ่อเทียนบอกเป็นสมาธิหลวงพ่อเอาสาระมันเลยโดยที่ว่าทุกสมุทัยนี่ลุ่มมักรู้ทุกก็เป็นทุกไม่ใช่รู้ทุกเป็นเรา สมุทัยก็คือสมุทยัยสมุทัยไม่ใช่เรามันก็เป็นมันนั่นเองนะแล้วก็นิโรธมรรคก็คือเป็นนิโรธเป็นมรรคตามเห็นอะไรก็เป็นอันั้นได้ยินอะไรก็เป็นนั้นแต่ทีนี้คนทั่วไปก็เห็นเฉยๆเหมือนกันเมื่อก่อนอาจารย์กวิทยท่านว่าเอาคําพูดหลวงพ่เทียนมาเน้นเห็นชื่อๆอามาก็พยายามมองอะไรก็มองชื่อๆเฉยๆ <laughs> <laughs> อ๋อเห็นอย่างนี้เห็นชื่อๆมองเฉยๆคิดมันจะได้ตรงๆชื่อๆใช่ไหม ปากฏว่ามั น, มนคนละเรื่องกันอันนั้นเห็นชื่อที่เราคิดเอาว่าเราชื่อๆนะมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภาวะที่ปรากฏชื่อๆนะอันนี้คือภาวะที่เป็นนะใช่ไหมเอามาว่าหลายคนเหมือนนัตรมนะฮะ ค, คือพยายามดูว่าดูชื่อๆที่จะไม่คิดเนะี่ยอันนั้นมันกลายเป็นซื่อบื้อนะไม่ใช่เห็นแบบซื่อบื้อไม่ใช่เห็นแบบชื่อๆนะถ้าเห็นแบบชื่อๆตามความหมายที่แท้จริงจิตของเราเต้องเป็นสมาธิระดับที่สูงมาก แล้วจะไปเห็นสิ่งนั้นชัดเป็นพิเศษมันเป็นของมันเลยอรมันจะไม่เบลอไปหาเือื่นมันมันจะชัดทมันเป็นเป้าตรงนั้นเลยเหมือนกับคุณอาจารย์พองไปเห็นแสงซื่อเลยนะเห็นตตอนนั้นก็ลมหายใจกับกับพิตามาพร้อมกันหมดนะครับยงรู้ขึ้นหมดอย่างเก็มันใหญ่ใช่ไ้มอ่ามันมันรู้พร้อมจริงๆริงะดูพร้อมทั้งตัวเห็นภาพที่สัมผัสชัด สัมผัสทั้งหมดเลยเห็นทั้งหมดแต่ถ้าเราไปเห็นซื่อๆอย่างที่เราคิดก็ไปเห็นเฉพาะภาพชื่อๆนะแต่ไม่รู้ตัวแต่เห็นซื่อๆที่ว่านี่มันรู้ทั้งตัวเลยนะอาการทั้งตัวแล้วสิ่งที่เห็นเป็นอันเดียวกันผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นเป็นอันเดียวกันนั่นคือเห็นซื่อเป็นการเห็นที่บริสุทธิ์ถึงเรียกว่าปรมาจารย์นะอ๋อก็ยังไม่เต็มร้อยถูกเงิน เพราะฉะนั้นตรงตรงนั้นมาอยากจะในการเปิดเทปเนี่ยถ้าไม่จําเป็นแนละ้วก็ไ ม, ไม่ไม่มีเป้าหมายอื่นคือจะเอาคําพูดของท่านตรงๆเรามาสื่ออีกทีบางทีเราฟังสิบครั้งนะ่ะไม่เหมือนกันนะไปเปลี่ยนไปสิบครั้งเพราะว่าสิ่งท่านพูดพูดจากสภาวะไม่ได้คิดมาพูดนะพูดจากสภาวะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเราฟังสิบครั้งก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่สภาวะเราฟังอันนั้นนะ